สมัสมผัสสยองการจะซื้อบ้านสักหลังนั้นเราควรสืบหาประวัติของบ้านหลังนั้นให้ดีเสียก่อนเพราะบางครั้งเงินที่ซื้อบ้านนั้นมันอาจจะเป็นเงินเก็บทั้งชีวิตของเราและเราก็ไม่รู้ว่าที่นั้นมันเคยเกิดเหตุการณ์อะไรร้ายแรงขึ้นมาบ้างในพศ2557 มีหนังไทยเรื่องหนึ่งเนื้อเรื่องคล้ายกับหนังผีญี่ปุ่นชื่อดังจูออนแต่นี่มันเป็นหนังไทยที่สร้างจากเรื่องจริงที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหนังเรื่องนั้นก็คือไม h เฮาส์หรือบ้านขังวิญญาณเรามาฟังเรื่องจริงจากบ้านหลังจริงเหตุการณ์จริงคนจริงวิญญาณจริงเมื่อประมาณ25ิปีก่อนนับตั้งแต่ที่หนังออกฉาย เรื่องนี้นํามาจากเรื่องจริงของอาจารย์แบงค์ที่ช่วยเหลือลูกศิษย์ท่านหนึ่งที่โดนวิญญาณร้ายตามหลงควานในบ้านหลังหนึ่งย่านหนองแขมกรุงเทพบ้านหลังนี้มีอยู่จริงอาจารย์แบงค์ไปถ่ายมากับมือติดวิญญาณแน้บผู้หญิงคนหนึ่งขาวซีดไร้ลูกตาในหนังเอาวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากครอบครัวหนึ่งที่ดวงซวยไปซื้อบ้านสินทรัพย์ธนาคารในราคาที่แสนถูกย่านหนองแขม เหตุการณ์จริง 80% ถูกนำเอาไปสร้างเป็นหนังแต่เรื่องราวต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวในส่วนที่เป็นความจริงที่มันได้เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่บ้านหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นเสียงฝีเท้าหนักๆเดินขึ้นลงบันไดบ้านในยามค่ำคืนเงาดำของชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่เดินไปเดินมาในบ้านแม้เวลากลางวันเสียงตึงตังที่เกิดขึ้นตรงกำแพงบ้านและราวบันได ทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนแม้แต่กระจกบ้านก็เหมือนมีคนนัมือไปทุบเล่นปึงปึงปังปงทั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเสียงเด็กวิ่งเล่นในบ้านเสียงหัวเราะยามค่ำคืนของหญิงสาวปริศนาอาหารและน้ำดื่มที่เน่าเสียบูดเร็วผิดปกติเวลาทาบุญุทธิส์ส่วนกุศลไปให้ก็จะได้ยินเสียงตะโกนลั่นว่ากูไม่เอา เรื่องมีอยู่ว่าคู่สามีภรรยาและลูกสาวคนเดียวของบ้านต้องพบเจอกับเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นอินแอนและเชอรี่ลูกสาวทุกคนยังมีชีวิตจริงอยู่ในปัจจุบันแต่ยายได้เสียชีวิตไปในบ้านหลังนี้ในระหว่างกวาดบ้านยายได้ชี้ไปตรงห้องเก็บของหน้าบ้านก่อนสิ้นใจตายโดยโรคเส้นเลือดในสมองแตกกระทันหันทั้งทั้งที่ไม่เคยเป็นอะไรมาก่อน นี่คือเรื่องจริงแอนได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าที่แม่ตนเองจะเสียไม่กี่วันเธอฝันเห็นแม่ตนเองตรงหน้าห้องเก็บของก่อนจะเปิดไปเห็นผีในห้องเก็บของนั้นจนช็อกพอแอนเข้าไปจับตัวแม่ร่างแม่ก็แตกละเอียดเป็นผงไปกับอากาศเธอฝันแบบนี้ติดกันสามคืนก่อนที่แม่จะตายและแม่เธอตายตรงตำแหน่งเดียวกับในความฝันไม่ผิดเพี้ยน มันทำให้แอนเชื่อสนิทใจว่าบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรแน่ๆ่ผ่านมาปีกว่าตั้งแต่ย้ายเข้าบ้านหลังนี้มาสามีภรรยาตกงานพร้อมกันในวันเดียวกันทั้งๆ ท, ที่ทำงานคนละบริษัทเนื่องจากถูกแรงกดดันจากหัวหน้าให้ออกและเพื่อนร่วมงานก็ยังแกล้งใส่ความซ้ำเติมอีกต่อมาพวกเขาได้ขายรถและเปลี่ยนมาขับแท็กซี่รับจ้างหาเงินประทังชีวิต เงินทองก็หมดไปทุกๆเดือนขับแท็กซี่ก็ไม่มีใครขึ้นลูกค้าทำหน้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างนั่งอยู่ด้วยจะขึ้นก็ไม่ขึ้นเปลี่ยนไปขึ้นคันอื่นอยู่หลายครั้งพอรถไปให้พระเจิมพระท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วผีมันไม่ได้อยู่ในรถแต่อยู่ในบ้านหลังจากนั้นแอนก็ได้รู้ความจริงจากเพื่อนบ้านว่า เธอเป็นครอบครัวที่ห้าแล้วที่มาอยู่บ้านหลังนี้แต่ก่อนหน้านั้นทุกครอบครัวที่อยู่เมียันเป็นไปหมดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงบ้านหลังนี้ครอบครัวแรกที่เข้ามาอยู่เมื่อเกือบ20ปีก่อนชายเจ้าของบ้านดื่มเหล้าจนเมาไายเพราะโกรธแค้นที่เมียตนไปมีชู้แล้วทิ้งลูกชายแว่เขาเลี้ยงเพียงลาพังเขาโมโหมาก เลยทำลายข้าวของทุกอย่างภายในบ้านไม่เว้นแม้กระทั่งสารเจ้าไม้ก็ยังพังทิ้งทั้งกระทืบและบ้วนเล่าใส่ก่อนที่เขาจะไปฆ่าลูกชายโดยการกดลงอ่างน้ำในห้องน้ำแล้วแทงร่างลูกชายจนพรุนเมื่อเมียกลับมาตามหาลูกชายก็พบลูกเป็นศพลอยอืดในห้องน้ำเมื่อสามีเห็นเมียของตนก็ลงมือฆ่าปาดคอ และเจาะลูกตาทั้งสองข้างก่อนจะฆ่าตัวตายตามตรงลาวบันไดเพื่อนบ้านแอบดูเหตุการณ์อยู่ตลอดตั้งแต่เจ้าของบ้านเมาอรารวาสแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้ยินเสียงก็คือเสียงกรีดร้องจากเมียของเขาหลังจากวันนั้นมาก็ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะ ก, กันอีกเลยจนศพอืดบวมส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วแล้วเจ้าหน้าที่ ก็ได้มาตรวจสอบเมื่อแอนเจ้าของคนปัจจุบันได้รู้ความจริงเข้าก็เครียดมากและก็ไม่รู้จะหาทางออกอยังไงจึงมาปรึกษาหาทางออกกับอาจารย์แบงค์และท่านก็ได้แนะนําอะไรไม่ได้มากไปกว่าการให้ย้ายออกจากบ้านหลังนี้ให้เร็วที่สุดเพราะผีที่บ้านหลังนี้นั้นไม่ต้องการบุญใดๆทั้งสิ้นเขาต้องการเพียงบ้านของเขาคืน อาจารย์แบงค์สื่อจิตได้ว่าพวกเขาอาฆาตมากและดวงวิญญาณมากมายยังคงติดอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ว่าจะเป็นครอบครัวที่สองสหรือสที่ต่างก็ประสบอุบัติเหตุภายในบ้านจนตายและบาดเจ็บแปลกๆไม่ป่วยตายก็ฆ่ากันตายตกบันไดบ้างเลื่นในห้องน้ำจนแท้งลูกบ้างโดยเฉพาะครอบครัวที่สี่ ก่อนคุณอินและแอนจะย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ครอบครัวนั้นเป็นร่างทรงทั้งผัวทั้งเมียมีการทำคุณใสเล่นมลนดาเลี้ยงกุมารเต็มบ้านและกักขังดวงวิญญาณไว้ด้วยวิชามืดไม่ให้ไปไหนแต่อยู่ได้ไม่ถึงสามปีหัวร่างทรงก็ฆ่าเมียตนเองตายคาบ้านด้วยมีดเรื่องที่กล่าวมามันดูเหมือนจะเกินจริง แต่นี่คือความจริงจะปากเจ้าของบ้านคนปัจจุบันอินกับแอนมักจะทะเลาะกันเพราะเรื่องเพ ن เพียนที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้บ่อยอครั้งเชอรรี่ลูกสาวคนเดียวของบ้านก็ชอบเดินละเมอไปเข้าห้องน้ำแล้วลงไปเปิดน้ำในอ่างนอนเล่นตอนกลางคืนอีกด้วยพอตื่นขึ้นมาก็บอกว่ามีเด็กผู้ชายพามานอนเล่นในน้ำอิน ชายเจ้าของบ้านคนปัจจุบันได้บอกว่าเขาเห็นว่าบ้านหลังนี้มีวิญญาณร้ายอยู่จริงผู้หญิงที่ถูกฆ่าตายเขาบอกกับผมว่าเขาชื่อจันทร์เขาทรมานมากเพราะถูกวิญญาณสามีขังไว้ไม่ให้ไปผุดไปเกิดจะหาทางออกไปไหนก็ไม่ได้เพราะไร้ลูกตาและวิญญาณร้ายหลายดวงเขาก็ดาไล่อินด้วยคําหยาบไม่ให้เข้าไปช่วยยัก yes. กูไม่เอาบุญใดๆทั้งนั้นกูไม่ไปกูไม่ออกและหลังจากที่อินเข้าไปช่วยก็ทําให้อินป่วยหนักมากจนเข้าโรงพยาบาลปัจจุบันบ้านนี้ยังติดประกาศขายมาอยู่หลายปีแล้วแต่ก็ยังขายไม่ออกทางอินกับแอนจึงไม่อยากเปิดเผยตัวตนจริงออกสื่อใดๆเพราะเกรงว่าบ้านจะขายไม่ได้ แอนเจ้าของบ้านคุณปัจจุบันเธอหันหน้าไปหาหมอพระหมอผีหลายคนทุกคนล้วนสายหน้าว่าเกินเยียวยาบ้านหลังนี้เฮี้ยนเกินไปให้ย้ายออกจะดีกว่าอาจารย์ทุกท่านที่ไปช่วยต่างพากันป่วยหนักทุกคนโดยไม่มีสาเหตุส่วนอาจารย์แบงค์ไม่กี่วันหลังจากที่ไปช่วยสื่อเจ้าที่ของบ้านหลังนั้นก็ถูกตามมารางควานถึงที่บ้าน พี่เดที่เป็นเลขาของอาจารย์แบงก์ก็ยังโดนขวดน้ามัดลมพุ่งมาจากตู้เย็นตกแตกกระจายบาทฝ่าเท้าทั้งสองข้างจนเลือดอาบทุกคนเจอดีกันหมดปัจจุบันบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ไหนเป็นยังไงมีครอบครัวใหม่มาอยู่หรือยังก็คงจะไม่มีใครทราบนอกจากเจ้าของบ้านคนปัจจุบันเท่านั้นที่รู้ดี สมภัทสยอง